เดินผ่อนญาติโยมทุกทุกท่านครับตั้งใจฟังวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดหลังจากการทามัดเ้าก็จะได้แนะแนววิธีปฏิบัติเป็นการทบทวนการปฏิบัติหรือเป็นการทบทวนอารมณ์ของพวกเราตั้งใจฟังแล้วก็จดจำไว้ เราปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้เป็นเราก็ต้องรู้ว่าเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจ <c oughs> แต่เรารู้เพียงคำพูดเข้าใจเพียงคำพูดจิตใจเรายังไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีรู้คำพูดเข้าใจคำพูดจิตใจก็เป็นด้วยก็เป็นนั่นจปลว่าให้ตั้งใจฟังการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นวิธีการ มันเข้ากันได้กับหลักสติปัฏฐานสหรือมันเข้ากันได้กับอย่างที่ครูบาอาจารย์คเคาร์ลให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นกันยังไม่พอท่านยังให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบดย้อย ขู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ท่านสอนเอาไว้ยังนั้นบัดนี้บางคนไม่มีวิธีการไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนเหล่านั้นก็เลยมาทำเป็นจังหวะให้เรานั่งพระเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาเดินนั้นเอามือกอดหน้าอกไว้หรือเอามอหมวกค้วหลังไว้ Passage, เวลานั่งลงก็ต้องเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่บนขาพลิกมือขวาตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขวาตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวเอามือขวาเข้ามาที่สะดือให้รู้สึกตัวแล้วเอามือัวแนบแนบมาที่ตรงนั้นพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัว เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายทับมือขวาแนบไปที่ตรงนั้นแบบนี้เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างเอาออกมาตรงๆงไม่ใส่พิษเอาออกมาตรงๆเอาไว้ตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวาลงที่ขาขว่าตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือขวาลงที่ขาขวาให้รู้สึกตัวแบบนี้ก็เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอก ให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวเพราะว่ามือซ้ายลงที่ขาซ้ายาให้รู้สึกตั ว, อ, ตวอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติมันเข้ากันกับหลักสติประฐานสี่หรืออริยบุตรทั้งสี่นั่นเองพูดถึงสติประฐานสี่ท่านพุทธุ่ให้มีสติกำหนดรู้กายญานุปัสนาน คือสติปัญญาสิกายานุปัสสนาให้มีสติดูกายในกายเวทนานุปัสสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสสนาให้มีสติดูจิตในจิตธรรมานุปัสสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมเราไม่เข้าใจบางคนบางคนก็เข้าใจคำพูดอันนั้นผู้มีปัญญาคุ้นกับการภาษาเรียนแปลนั้นอาจจะเข้าใจแต่เข้าใจ แต่ใจยังไม่เป็นก็มีเป็ี่ยนยังไงบัด น, นี้วิธีที่พวกเราทําเนี่ยเดินจงกรมเอามือกอดหน้าอกไว้ทําจังหวะแล้วเอียงท้ายเอียงขัวก็ให้รู้ก้มเงยก็ให้รู้แต่ไม่ให้แกงแขนเวลาเดินจงกรมนะ่ะเอามือกอดหน้าอกไว้หรือเอาค้วยหลังไว้ให้รู้ทําแล้วมันจะเป็นยังไงทําแล้วมันเกิดปัญญาอันนี้เป็นวิธีทําให้เกิดปัญญาข้อแรกรู้จากรูปนามนี่เอง เกิดปัญญาขึ้นมาพอแล้วรูปในการ่างกายน้ำที่มันรู้จกักรูปกับนามมันอาศัยซึ่งกันและกันการเคลื่อนไหวถ้าหากไม่มีจิตมีใจคือคนตายนี่มันก็นเคลื่อนไหวมันก็นไม่รู้ยต่วรูปกับนามน้ํานั่นเนี่ยมันเคลื่อนไหวรูปนั้นเคลื่อนไห ว, วไม่ได้แต่ว่ารูปกับน้ำที่อาศัยซึ่งกันและกันยนเรียกว่ารูปน้ําอันนี้รูปทํานามทํามันพิษขึ้นรูปกับทา คิดขึ้นมาเนี่ยรูปทาแล้วนามก็ทำไปด้วยรูปทานามทารูปโรคนามโลกเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะไรก็ตามเนี่ยรูปเป็นแล้วใจก็ไม่สบายอันเนี่ยรูปโลกนามโลกอันนี้บัดนี้นั่งสบายนอนสบายไปไหนมาไหนก็สบายไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องจิตใจมันคิดขึ้นมาเหมือนมันคิดบูบขึ้นมามันอบ หรือมันเปลียดจิตวิญญาณเป็นโลกมันก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์ทั้งสองฐานเนี่ยอย่างเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นทุกข์เรียกว่าทุกข์ขังทุกข์เพราะมันติดอยู่กับรูปนินเองแยกออกจากกันไม่ได้เนี่ยทุกข์ขังอันนี้จังนั่งนานๆหรือไม่นานก็ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนในอิเดีย บ, บทนั่นเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพิบตาหายใจนึกคิดนี่ยเป็นอันนี้จังอนัตตาบังคับบรรตา ไม่ให้มันเคลื่อนมันไหวไม่ให้มันแหงมันจริงมันไม่ได้ใช่ไหมพัฒนาไม่ได้ตัวนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราต้องพัฒนาตัวใจเพื่อนอนัตตาบังคับบรรสาไม่ได้บัดนี้ใช่ไหมทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งเป็นบอกไว้อย่างนั้นบัดนี้ทุกต้องกําหนดรู้คือมานรู้ตัวเคลื่อนตัวไหวตัวนี้สมุทัยต้องละตัวมันนึกมันคิดนั่น เมื่อเรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวตัวนี้มันจะหยุดเองมันสมุติทัยต้องละมักต้องเจริญมักต้องทําให้มากทําบ่อยๆทําไม่หยุดมักต้องเจริญนี่โลดทําให้แจ้งรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ข้ารู้าวรู้สมมุติสมมติเนี่ยรู้แจ้งรู้สมมติรู้จริงๆสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติพระพุทธรูปหรือสมมุติ เพื่อนฝูงอะไรก็ตามหระเงินทองเสื้อผ้าไรนาลวกสวนเหล่านี้เป็นเป็นสมมุติขึ้นมาแต่สมมุติบัญญัติเส้นสมดุิบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชนี่ก็เป็นสมมุติศินห้าสินแปดสิน 10, สิบสินสองร้อยสินสามร้อยเป็นสินสมมุติสมมุติอยู่กับสังคมต้องให้รู้เนาะรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนถ้าหากรู้ด้น้อยมันก็เกิดมีความสงสัย เนี่ยรู้ให้ถึงรู้ถึงเนื้อแท้มาจริงๆสิ่งที่สมมุติเนี่ยท่านจึงเปลี่ย ว, ว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกระมือเนี่ยแต่ใบไม้แห้งในกระมือเนี่ยมันเป็นยาใบไม้ในป่าก็เป็นยาแต่จะไปเลือกออกมาใช้ได้ทั้งหมดนัมันไม่ได้เอาเฉพาะแต่เรารู้ทุกครั้งอนิจจังอ น, นัตตารู้สมมติพรนี่กขใช้ได้แต่ว่าเราให้มันมีคนมาถามอันน<ม>ให้รู้อันนั้นเป็นเป็นสมมุติเนี่ยสมมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติ อัธยับรรย์อริยาบรรย์สมมุติขึ้นมากับบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบวกกฎหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารสิบกีสิบโทสิบเอกเนี่ยบอกไปอย่างนั้นพระสงฆ์ก็บวกเข้ามาแล้วก็ทุกสมมุติเช่นเดียวกันสมมุติให้เป็นเจ้าอาวาสสมมุติให้เป็นเจ้าคณะตำบลสมมุติให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะแขงไปอย่างนั้น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 อันนี้เนี่ยว่ารู้จักเรื่องของคนอันนี้เรื่องของคนมันเป็นอย่างซีแต่หน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ให้เลือกเอ า, าให้รู้จักความเป็นคนเกิดมาจากพ่อจากแม่ก็เป็นคนจิตใจยังไม่รู้จะเป็นคนได้ทําไมเลือกเอามาใส้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็ไม่ใช่คนอันนี้แต่เป็นคนแต่ให้รู้จักอันนี้เลยแหละความเป็นคนโอ้มันอยู่ที่ตรงนี้มันสับสนวุ่นวายสลับซับซ้อนอยู่ความเป็นคนเรื่องของคน เรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจหน้าที่ของคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อเขาสมมุติให้กขาต้องปฏิบัติไปเนี่ยว่าให้รู้จักสมมติอย่าไปติดสมมติท่านว่าอย่างนั้นเมื่อรู้จักสมมติดีแล้วก็รู้จักศาสนาศาสนาก็แปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็ตามมาสอนคนให้คนละซ่วทําดีเรียกว่าศาสนา ศาสนาจึงเปว่าคําสั่งสอนของท่านภูรุตัวคนทุกคนก็เป็นตัวศาสนาเพราะสอนเข้าตาสอนเข้าหูให้ตาเห็นหูฟังจดจำเอ า, าไว้ทําดีแต่ไม่ทําชั่วอันนี้เป็นศาสนาพุทธศาสาศานานมวพิชมือขึ้นขั้ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงท้ายเอียงหัวก้มเงยพิดตาอ้าปาก หายใจเข้าหายใจออกเกินน้ำลายเข้าไปในลําคอนี่มันรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเกิดยานปัญญาอันนี้เนี่ยเปึงพุท ธ, ธาศาสนาพุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมบัดนี้เราไปไหนมาไหนนั่งไหนนอนไหนอยู่ที่ไหนก็ตามก็อยู่ด้วยธรรมะเนี่ยว่าเห็นธรรมะรู้ธรรมะจริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราอันนี้เห็นธรรมะเห็นจริงๆหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้เนี่ยพุทธศาสนาให้เราเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ น, นี้เมื่อลูพุทธศาสนาครบจบทุ่นดีแล้วก่อนต้องลูบาปบาปก็คือมืดบาปก็คือไม่รู้บาปก็คืองโง่นั่นเองท่านใบุญแบบเนี่ยบุญคือเรารู้บุญคือสว่างบุญคือดีใจเนี้ยรู้แล้วก็ดีใจ ไม่เก้อเขินอันนี้รู้ภาคต้นอ น, นี้เรียกว่าเป็นภาคต้นเป็นปฐมเลิกก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นปฐมฌานเป็นปฐมเลิกรู้อันนี้ผิดไปจากนี้เกิดแสดงว่าไม่รู้ตามเรื่องนี้การปฏิบัติแบบนี้ตรงรู้เรื่องนี้แล้วกเกิดมีความรู้ขึ้นมาแบบนี้เดินไปเดินมามันมีความรู้มันอยากพูดอยากคุยอ ย, อ, นคนนะอยากไปสอนคนนั้นอยากไปสอนคนนี้เกิดปีติ เกิดมากขึ้นมากขึ้นก็นหลงตนลืมตัวไปแล้วเหมือนเป็นวิปัสนูอุปกิเลสที่ตรงนี้จําไว้เมื่อเรารู้อย่างนี้เดีล้วก็อย่าไปติดอารมณ์มันดีใจก็ปล่อยไปเลยทําความเพียรทําความรู้สึกตัวให้มาก <c oughs> เป็นการทบทวนอารมณ์ให้มันรู้จริงๆเดินไปเดินมามันคิดปุ๊บให้มาอยู่กับควมรู้สึกหลวงพ่อพูดให้ฟังบ่อยๆว่า ทีแรกมันเหมือนกับแมวตัวน้อยหนูตัวโตวพอได้หนูออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมันกระโดดจับเลยโดยจับหนูมันตื้นมันก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไปอันนี้ก็เหมือนกันมันคิดทีแรกมันไม่คิดมากอะไรเลยนะพอไดีมันคิดเราเข้าไปในคองมคิดไปวิภาควิจารอันนั้นอันนี้อันนั้นเป็นวิปัสสนูแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนแก้ปัญหาตัวเองได้คือรู้มาถึงบาปบุญ น, นี่แหละอันนี้แหละ การแก้ปัญหาตัวเองตอนมันรู้จักนอกตัวเราไปแล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ที่ว่านํามาทบทวนที่ว่าเปิดอกลมเปิดแล้วแบบนี้เปิดแล้วก็แสดงว่าหงายของที่คว่ำของที่ปิดมีเกี่ยวอัดแน่นอยู่นั่นหลวงพ่อหรือว่าใครก็ตามนะมาเปิดมาเปิดก็มาไขามาหงายหน้าขึ้นให้เลียวนี้ก่อน อบรมอบรมกับมาซีแนะแนวทางตามความจริงอบรมเปลวซีแนะแนวทางให้เดินไปทางนี้อย่าเดินไปทางนั้นเดี๋ยวอบรมอบรมเปลว่าซีทางให้เข้าใจให้รู้ตามคําแนะนํานั้นอแบบบรมดังนั้นเมื่อรู้อันนี้เราก็เกิดความรู้ขึ้นมาเราปล่อยความรู้อันนั้นให้หมดอย่าไปอยู่กับความรู้อันนั้นให้มาอยู่กับความรู้สึกมันคิดมาก็ารู้มันคิดมาก็ารู้รู้เท่ารู้ทัน รู้จักกันรู้จักแก่แบบ น, นี้รู้แล้วแบบ น, นี้ก็เกิดผมรู้สนิดหนึ่งแต่เกิดยานปัญญาหนะ้ตัวนี้ไม่ใช่รู้เอาเองนะนี่เกิดยานปัญญาหรือปัญญาญาณเกิดขึ้นรู้จักวัตถุเห็นเข้าใจสัมผัสแนบแ น, บแนบ่อยู่กับวัตถุอ น, นันแต่วัตถุไม่ใช่เสื้อผ้าเงินแต่เราเรียกว่าให้เป็นวัตถุซื้อมันแสดงตัวมันออกวัตถุมันต้องแสดงตัวมันออกมามันต้องรู้ วัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างพอดีรู้วัตถุแล้วกิทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุทั้งนั้นที่มันมีนะในโลกนี่เรียกว่าวัตถุทั้งหมดวูมเลยเดี๋ยวพอพูดเนี่ยขูมทั้งหมดเลยวัตถุเหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างปารามาตัตดหมายถึงคนจริงกําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีกําลังรู้อย่เรียกว่าเป็นปรามาตัตดอาการสภาพความเปลี่ยนแปลงดังนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เรารู้จักอ๋อชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี <escrito> ่ยรู้จักอะไงเนี่ยอาการที่แปลความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามจะเป็นวัตถุภายในก็ตามต้องรู้จักว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอาการสภาพความเปลี่ยนแปลงจะเป็นโลกก็ตามเป็นธรรมก็ตามท่านบอกความเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นรู้อย่างนี้ก็เห็นรู้เข้าใจคนใดมีโทสามากก็ต้องรู้โทสะเห็นโทสะเข้าใจโทสะ สัมผัสกับโมหะแนบแน่นคนใดมีโมหะมากก็ต้องเห็นโมหะก่อนรู้โมหะเห็นโมหะเข้าใจโมหะสัมผัสกับโมหะแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นคนใดมีโลภะมากาามันไม่เหมือนกันนะคนนี้เนีย่ยว่านิสไซนิจจลิทันว่าอย่างนั้นมีโลภะมากก็เห็นโลภะก่อนเห็นก่อนเห็นรู้เข้าใจ สัมผัสแบบนบแน่อยู่กับโลภะนั้นแต่วัยเห็นทั้งหมดทั้งสามนี้เห็นเห็นจะเป็นโมหะโลภะโทสะก็ได้จะเป็นโทสะโมหะโลภะก็ได้จะเป็นโมหะโทสะโลภะก็ได้แต่ว่าเห็นเห็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเห็นแล้วก็สัมผัสแบบนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเป็นวิธีการอันนี้จึงรู้อันนี้แต่ก่อนนั้นไม่เคยรู้รู้แต่มันไม่เห็นมันไม่เข้าใจใจมันไม่รับรู้ มาทําอย่างนี้มันรู้นี่ว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเมื่อเห็นอันนี้แเราก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนี้เป็นอารมณ์หนึ่งนี้เรียกเป็นปฐมมาเลิกเป็นปฐมมาฌานสานเข้าไปรู้ไม่ใช่ว่าสารแล้วเหาะไปนี่ยพาหาหนาค ก, ก็เีทวฌานเหมือนกันฌาเนเทวขนสง่งขูมเป็นผ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้ ใครจะโพยยังไงก็ตามถ้าเห็นจริงก็ต้องรู้จริงรู้เท็จอ๋อหลวงพ่อนุ่<อ> ง, งกางเกงเขานะั้เป็นพระได้แล้วน้ําหนักร้อยกิโลนี่หลวงพ่ะวัดสลัดตูมไปทันทีเลยแปดสิบกิโลนี่หลวงแต่มันมืดยเงยยังไปไม่ได้แต่รู้จักแล้วว่าเราเป็นพระได้แล้วอ๋อวันนี้เดินกลับไปกลับมาไม่นานซัวจะพิบตานี่แหละไม่นานก็เลยเห็นรู้เข้าใจ กิเลสตัณหาอุปทานกับนี่ยสี่ข้อเนี่ยเวทนาเป็นรูปเป็นทั้งรูปทั้งนามสัญญาเป็นรูปเป็นทั้งรูปทั้งนามสังขารเป็นรูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามวิญญาณเป็นรูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามจีว่าอันนี้จีวะรูปสี่เนี่ยกจากขันห้าแล้วบัดนี้แล้วบัดนี้จากกิเลสตัณหาอุปทานกรรมก็มีสี่ข้อด้วยกันออสิ่งปรากฏขึ้นมาที่ตรงนี้ มีศินแล้วบัณเนี่ยมีศินไม่ใช่ศินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสินสมร้อยอันนี้ศินที่พุทธานุพุทธังสามศรลทินไทิงผู้ตัจรูตตามพระพุทธเจ้ามีศินได้ที่เสมอกันอันนี้แปลว่าได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานได้กระแสจิตก็ว่าได้แต่ทางใจเนี่ยไม่ใช่ทางเดินทางเท้าทางนี้นะใจมันเดินไปได้บัณเนี่ยมันรู้จากทางไปนี่ ทำไรจริงไม่รู้เนี่ยการให้ทานก็รู้ไม่ได้การรักษาศีลก็รู้ไม่ได้หลวงพอ่อคนอื่นอาจจะรู้ได้การทํากรรมฐ า, านหลวงพ่อทํามาหลวพก็ไม่รู้เมื่อมาทําอย่างนี้หลวงพอรู้เข้าใจหลวงพ่อจริงว่าเออหลักการอันนี้มันเข้ากันได้กับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวเ อ, อหลักการอันนี้มันก็นเข้ากันได้ เพเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานี่นั่งนิ่งไม่ได้ในป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลยรู้จักมักผลขึ้นมาโอ้เป็นพระแล้วอริยมรรคอริยผลมันซ้อนกันขึ้นมาเลยนี่มักผลอย่เขาเรียกกันว่าพระโสดามักพระโสดาผลพระสกิทาคามีมักพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีมักพระอนาคามีผลพระอรหันตามักพระอรหันตผลมันเป็นลูกเข้ามา จี่ว่าเราศึกษาให้รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆจะไปคาดคิดออกมันไม่ได้ดังนั้นภิกษุจึงแปลผู้เห็นไัยเห็นอันตรายเห็นความผิดพลาดจึงวภิกษุแปลผู้เห็นไผ่แต่ในอย่างนั้นเราก็เลยมาเข้าใจเรื่องอาบัติปาราศึกทันทีหลวงพ่อทำข่าวนั้นรู้จักจริงๆรู้จักและไม่หลงไม่ลืมเห็นแล้วแนบแน่นอยู่กับเสิยงปาราศึกกันบ้านหลวงเขาเรียกปาราศึก นังสึกกับปรารสิกปรารสิกตามตำราว่าเสพเมถุนห น, น, นึ่งรั ก, กของเขาหนึ่งเสพเมทุนภิกษุเสพเมถุนต้องอาบัติปรารสิกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้เนี่ยตำราไว้รักของเขาหนึ่งราคาห้ามาศกภิกษุลักของเขาราคาห้ามาสกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไปไม่ได้มาสกหนึ่งก็ยี่สิบสตางค์ห้ามาสก ก็พอดีร้อยสตามนี่พันว่าอย่างนั้นตำรานะอันนี้พูดอย่างนั้นเลย <c oughs> ลักของเขาหนึ่งมาสินราคาห้ามาสุขเนี่ยค่าสัตว์หนึ่งมาสินนอกคันไหนคันนอกคันก็าตามในคันก็าตามค่าสัตว์นขาจากคมเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้พูดอวดอุตรีมนุษย์ศาสนาคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในต น, นวาขาดจากคมเป็นพิกษุเป็นพิกษุไม่ได้อันนี้ตำราพูดอย่างนั้น แต่ความจริงหลวงพ่อเข้าใจเสพเมถุนก็หมายถึงเราอยู่ด้วยโทสะโมหะโลภะอยู่ด้วยการไม่เห็นแจ้งนี่เองนี่ว่าเสพไปว่าอยู่ด้วยโอ้อเสวันนาจะพาลานังมันเข้ากันได้เลยอเสวันนาจะพาลานังอยู่กับคนผานพาลาเป็ว่าคนพานพารานะบัณฑิตานังจะเสวันนาเนี่ยมันมาเข้ากันหลักได้เลยอเสวันนานึงเสบันนาอยู่ตอนนี้มัน เสวนาปูษาจ่ปูสาที่ญยาดัางเอตมังฆะมุตตมังเราไม่เข้าใจเลยเดินนั้นในขณะหนูนพอเข้าใจอย่างนี้บัณฑิต ก, ก็คือสติสมาธิปัญญาหรือความรู้สึกตัวนี้เองอันคนผ่านภายนอกเกเลกินเหล้าเมาสุราเล่นการพา น, นันอันนั้นเป็นคนผ่านภายนอกคนผ่านภาย น, นี้ทำไมไม่รู้ เราลุกมันก็ลุกด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมาไหนมันไปนด้วยเดียววัตถุมันเป็นวัตถุเหมือนกันบัณฑิตานั้นจบับานี่ยผู้ศึกษาเราเรียนมามากเราจะไปอาศัยอยู่กับท่านไม่ได้การทํามาหากินอาชีพของคนไม่เหมือนกันกเรนกาก็เลยรู้จักโอตัวขมรู้สึกตัวนี้เองเป็นบัณฑิตรู้สึกตัวมากขึ้นมากสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่เลยว่า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 ตามทางไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเรินรอยตามไม่ใช่ตามหอยอันอย่างที่ท่านานางนะจะเลินตามวิธีที่ของท่านธรรมอะรับรองได้อันเนี้ว่าไม่พลาดเลยเจรับรองตัวเองนะคนอื่นจะไม่รับรองเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยว่าไม่พลาดที่ตัวเองทํามาเพราะมันเป็นได้เนี่ยแล้วเพราะก็เลยเข้าใจว่านา้ําสีจะเป็นสีดําสีแดงก็าตามเต็มกระป๋องเอาไปย้อมผ้าขาว มีคุณภาพร้อยเปอเซ็นทีแรกกเราไม่รู้เนี่ยผ้าน่าจะไตาตามสีได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีแดงผ้าขาวก็ต้องแดงหมึดเนื้อมันเลยถ้าเป็นผ้าผ้าขาวเป็นสีดำผ้ามันก็ดำหมึดเนื้อมันเลยอันนี้แสดงว่ามันเกิดโทสะมากรเติมที่โมหะโลภามันขึ้นมาเล่นงานเต็มที่ทําบุญให้ทานรักษาศีลเท่าใดก็ตาม โอดมาทีเดียวไฟใบ้บ้านหมดแล้วหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นวันนี้เราเป็นนั่งอยู่บ้านหลังนั้นฝนตกกะเปียกมาแดดออกกระร้อนมาโอ้การทำบุญให้ทานรักษาสินมากเท่าเดกก็ตามมันทนทานไม่ได้มันจะเป็นของเทียงแท้าถาวรไม่ได้เมื่อไม่เห็นอันนี้โอ้เนี่ท่านว่ามั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงโทรศัพท์ถึงมีกัน้อยแบบนี้ นักเลยมาเปรียบให้ท่านได้ฟังมาพูดบอยแล้วอย่างเนี้ยแต่คนไม่เข้าใจบัดนี้น้าสีเต็มกระป๋องคุณภาพมันไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นสีดำสีแดงก็าตามเอาไปย้อมผ้าขาวไม่ติดแติดก็ติดน้อยที่สุดแต่ลางน้ําออกได้สบายอันนี้น้ำท่ากับน้ามันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ละคนกันได้อันนี้รับรองได้อย่างนั้นจริงวะรับรองตัวเอง เป็นพระได้แล้วนู่กลางเกงเขาวนั้นผมก็ยาวเออควมเป็นพระอันนั้นมันเรื่องสมมุติอันนี้เรื่องเป็นปรมัดก็ยังเอาสมมติมาพูดนี่ที่หลวงพ่อพูดเอาสมมติมาพูดให้ฟังแต่เอาปรมัดมาพูดเป็นสมมุติจึงว่าเอาสูงบ้างต่ำบ้างจิงว่าสมมุติคืออย่าง พ, ะ <c oughs> พะระค้ดเจ้าคุณพระลาชพระเทพพระธรรมอันนั้นเอาเอาเรื่องนี้แหละไปพูดเป็นอย่า น, นั้น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 นี่ว่าลักซาลักศาสนาลักพระมหากษัตริย์จะว่ายังไงก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสูงผมมาพูดแต่ความจริงคันเมื่อเห็นอันนี้แหละความอ่อนน้อมจิตใจจะลดลงทันทีความกล้าหาญจะมีความอ่อนน้อมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเปขาวางเฉยได้บางครั้งบางข่าวมีมาทันทีเลยรู้เลยอันนี้แหละนี่ ว, ว่าขั้นต้นการเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าแต่รู้อย่างอื่นนั้นไปไม่ถึง หลวงพ่อไปไม่ถึงรู้อันนี้หลวงพ่อไปถึงอ๋อพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรหรือนิว้วมือนิว้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเราไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพูนะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วเนี่ยทํากับอาจารย์นั่งภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลับตานั่งขัดสมาธิขัดธรรมะเพชรนะ เอามือเออเอาเท้าค่อยกันเงี้ยซีแล้วนึกเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในหัวใจมาไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์นั้นมาไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์นี้มาได้องค์ที่เห็นองค์ที่รู้เนี่ยจริงวะจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่คอนแคลนต่อโลกกระทำทั้งหลายจิตของผู้นั้นไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวนะจิตของผู้ใดเนี่ยหมายถึงทุกคนมีเหมือนกันเลย ตั้งมั่นอย่างดีไม่หวันไหวไม่งอนแง่งขอนแขนต่ออารมณ์หรืนโลกกระทำอารมณ์ก็หมายถึงความสมความนินทาว่าร้ายนั่แหละไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าโลกกระทำโลกได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของคนเนี่ยเรารู้จักให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆเราจะสับสนวุ่นวายเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของคนถ้าเราเป็นคนต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น มาใส้กับสิทธิ์ของเราจริงๆถ้าเราไม่รู้จักความเป็นคนไม่รู้จักเรื่องของคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนก่อนเหมือนกับตมกับเลนนั่นแหละตรมกับเลนเนี่ยมันมันอยู่กับน้ำแต่ว่าน้ำไม่ใช่ตมตมกับน้ำไม่ใช่อันเดียวกันเราเห็นน้ำมันขุ่นเนี่ยบ้านหลงเขาเรียกว่าน้าขุ่นเอาสารส้มมากวนเขาแล้วตมเลนมาจับกันเข้าน้ำก็สะอาดขึ้นมา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 ไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้รู้แต่ตำลาทูติญญาสานยังไม่ได้อันนี้ตอนทูติญญาสานเขต้องตอนเซาอันนี้หลวงพ่อรู้ตอนแรง น, นั่นหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้น<า>แต่คนอ<า>ื่นจะรู้อย่ายงไงก็ไม่รับรู้ครับคนนั้นคนนี้ตอนเซาที่แรกหลวงพ่อรู้รูป น, น้ํานี่ตอนแรงหลวงพ่อมารู้อันนี้เออนี่ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> พวกเรามาทํานี่ระยะสิบวันเนี่ยถ้าหักเป็นคนจริงเป็นข้าวทีหนึ่งแล้วหลวงพ่อว่าคงจะไม่พลาด ถ้าเป็นข้าวปายเขาไม่มีอะไรเป็นข้าวผีนักอาจพลาดไปได้อันเนี้ยนังนั่นคือว่าให้เราเป็นข้าวทีหนึ่งจริงๆเลือกเอาเป็เข้าสดสดที่ทํามาเนี่ยไม่เข้าสดสดมาเข้าวลงสีลงสีจะปัดออกมาเป็นข้าวทีหนึ่งบรรจุเข้าไปในกระสอบเอาไปขายราคาก็ดีกินก็มีรสชาติอันดีถ้าเป็นข้าวผีแทนสีเอามาก็เป็นแกบเป็นล้ำไปเลยเนี่ยเอาไปให้สัตว์กินนั่นแหะเลือกกินอาหารที่มันเป็นที่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 อบรมปแปลว์ซีทางให้เข้ามาทางนี้ออกไปทางนั้นมันไม่ถูกไม่ตรงเท่านั้นเองเอาแหละที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจมาในวันนี้<ม>ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้าที่สุดนี้อาตามาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนสถานที่นี้อาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาตั้งสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระอาจตาสาวกคัสมาสัระพทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้จเจริญรอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตัดฐาโคตัตัดทั้งหลายหลังจากทมวัดเย็นวันนี้วันที่สิบเจ็ดที่เรา มาเปิดอบรมกันตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนี้ได้ได้สองวันแล้วที่เราได้ลงมือปฏิบัติกันจริงจังกันนดังนั้นวันนี้จึงนิมนต์เพื่อนพระสงฆ์และญาติโยมทุกท่านตั้งใจปฏิบัติกันจริงจริงการปฏิบัติธรรมะวิธีที่พวกเรานำ นํามาปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เป็นวิธีที่รัดๆไม่ใช่เป็นวิธีที่ทางโคง้งเป็นวิธีทางรัดเนี่ว่าทางรัดทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมเนี่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทานไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาศีลไม่เกี่ยวข้องกับธรรวา ม, มสงบที่พูดแล้วตอนเช้าเนี่ว่าพูดกันมาแล้ววันนี้ว่าจะพูดเรื่องปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลยางละเอียดนะพูดกันได้แต่ปัญญาชนิดไหนเราไม่เคยรู้หรือหวงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนบันนี้เราจะมาพูดให้พวกเราได้เข้าใจว่าปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลยางละเอียดเราปัญญาชนิดไหนปัญญาญาปัญญาตาใจเดียวปัญญาญาดูญาปัญญาเข้าไปจัดคารกับเรื่องขวมงไม่รู้ ความไม่รู้มันอยู่ที่ไหนคือควมไม่รู้สึกตัวนี้เองทำควมรู้สืบตัวมากขึ้นมากขึ้นเกิดยานปัญญาแต่ไม่ทบทวนอารมณ์นะวันนี้อย่าพูดว่ายานปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรทีแรกเรื่องโศกโมหะโลภะเขาพูดกันมาแล้วเดี๋ยวกิเลสย่างหยาบกิกเลสย่างกลางคือเราไปติดความสงบต้องการอยากให้ความสงบได้มาม า, มากๆ อันนันเรียกว่ากิเลสยางกางเพราะเราไม่รู้เนี่ยนั่งสงบแล้วถือว่าเราสงบไม่ใช่นะ่ะเรียกว่านอนหลับพับศีกนะะเป็นวิธีนอนหลับพับศิกปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดต้องมองเห็นเออนั้นมันอยู่ใต้โมหะปัญญารู้จักโมหะกลไกของโมหะปัญญารู้จักกิเลส ไม่ใชกิเลสดังที่โทสมัมโมหะนั่นเองกิเลสกิเลสย่างไหนรู้จักทั้งหมดเรียปัญญาเดียวเราชอบเราเกลียดเป็นปัญญารู้จักเรียปัญญาปัญญาสามารถเหมือนกับแสงไฟแต่สมมุทเอานะอยากเข้าใจว่าเป็นนั่งทําจังหวะแล้วจะเห็นเหมือนแสงไฟไม่ต่อยังเมื่อกับแสงไฟเราถือไว้ลมพัดไม่ได้อะไรพัดไม่ได้มันเจอพุ่งเห็นเห็นใจเราเอง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 เราทำาสงบมีค่าอย่างไรรู้ น, นี่เดียว่เป็นปัญญาคำจัดกี่ในรายละเอียดเราเห็นเรารู้คนอื่นจะโล้แทนเราไม่ได้จังว่าปัญหาอื่นๆจะไม่ข้องแวดเลยอันนี้เป็นจิตใจของทุกคนมีแล้วไม่ยกเว้นเรื่องปัญญาตัวนี้แต่เราไม่ทําให้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้เราก็มีความสงสัยเอ๊ะผิดมถูกไหนี่มันสงสัย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 มันก็เลยไม่ได้แสดงออกมาจิตดุดพ้นแล้วยานย่อมมีตำราท่านบอกนงนั้นแต่จิตดุดพ้นแล้วยานย่อมมีลูกอะไรคือว่าลูกการดุจดุดแล้วหยุดหาครูหยุดหาอาจารย์หยุดหาวิธีปฏิบัติหยุดจริงๆหลวงพ่อรู้อันนี้จําเป็นต้องเอาตัวเองมาเป็นคนประกันคําพูดตัวเองเนี่ยตัวเองต้องพูดแล้วตัวเองต้องประกันตอนเศร้าหลวพ่อรู้ธรรมะอันนี้ เหมือนกับถอนเสื้อออกพอมันงงเสื้อเนี่ถอนเสื้อออกแต่ไม่ได้ถอนดอกแต่มันสมมุติถอนกลางเกงออกให้ว่าถอนออกทั้งหมดเลยแล้วก็เนื้อหนังเนี่ยยืด อ, ออกทั้งหมดเลยเลือดไม่มีแม้หยดเดียวเลือดในตัวหลวงพ่อไม่มีแม้หยดเดียวหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นมีดปาดเราเนี่ยเลือดมันจะหัวนกลับเข้าไปสู่สภาพของมันทั้งหมดเลย <c oughs> ความคิดเดียวนามทำมาจะเข้าไปสู่สภาพขอะมันเลย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 เรื่องตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องเรียนให้รู้ว่าตายเสียก่อนตายยังมีลมหายใจเนี่ยรู้วิธีอันนี้เนี่ยไม่อื่นไกลแล้หลวงพ่อไม่ต้องไปพูดหรอกอยู่หน้าที่เท่านั้นคำพีเท่านั้นแล้วมาจากศัพท์นั้นพูดให้คนนั้นฟังพูดให้คนนี้ฟังหลวงพ่อไม่ได้พูดหลวงพ่อพูดเลยพูดให้พวกเรานี่ฟังมาปฏิบัตินี่ให้รู้อันนี้แต่เมื่ อ, อยังไม่รู้ ก็ต้องจําเป็นจะ ต, ต้องเป็นพื้นฐานและเป็นมูลเอาไว้จวนจะหมดลมหายใจอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้พบก่อนหน้าจากห้านาทีก็ยังดีความสุขประเภทนี้เดี๋ยวจิตเขมังเนี่ยเป็นจิตที่กเกษมสารซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เดี๋เป็นจิตกเกษมสารทนันวหวอย่างตำลานะคือจิตอันนี้เป็นจิตเหนือทุกเป็นจิตเหนือสุข เมือนกับเราขึ้นต้นไม้หรือขึ้นเครื่องบินมองเห็นถนนหนทางมองเห็นต้นไม้มองเห็นหบ้านหลุกเขาเดียวหุบเขามองเห็นเขาเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยมันขึ้นไปมันอยู่สูงและสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ว่าจิตว่องไวที่หลวงพ่อจิตว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุทกอย่างแล้วกระตัดสินออกไปไม่พลาดเลยถ้าหากทุกคนนี่มาที่นี่ตั้งใจทำ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 มันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อทำเนี่ยนนไม่นานเลยแต่เป็นคนพูดจริงนะหลวงพ่อเคยพูดให้ให้เราเป็นข้าวที่หนึ่งบรรจุลงในกระสอบขายราคาก็แพงคนต้องการซื้อข้าวที่หนึ่งถ้าหากว่าเราลดราคาข้าวที่หนึ่งลงมาแล้วมันจะไม่มีราคา <c oughs> เดี๋ยวนี้เราพยายามเอาเข้าวที่หนึ่งมาบรรจุเข้ารูปปัมาซานทุ ต, ติยสาลตติยสาล จตัวท่าศาลจะตัทาศาลเป็นว่ารวมตัวกันเข้าจะตัวเป็ว่ารวมนะหลวงพอเขา้าใจหลวงพูดเอาเองนะนี่ <c oughs> จะตัวทา่าศานเป็ว่ารวมตัวกันเข้าปันจะมาศานขันห้าจะไม่ถูกปุงต่อไปรับประกันได้เรื่องนี้แต่รู้ก่อนนะมันจะตัดขาดปุ๊ดเลยเลยขันห้าจะปุงไม่ได้เนี่ยเข้าใจอย่างนั้นเดี๋จะตัวทา่าศานเป็ว่ารวม รวมตัวเขาเขาตาก็รวมหูก็รวมสมมติมาพูดนะเนี่ยแล้วจิตใจนึกที่ก็รวมนะครัมันรวมแล้วเขาเราตัดปุ๊บขาดช่วงทันทีเลย <ST an> เนื้อหนังเราขาดช่วงอะ <ST an> ่ะนั่นแหละจูดเจืดหมดทั้งตัวเลือดทั้งตัวเนี่ยจะไม่หยดเลยมันจะแฉกเข้าเหมือนกับแมวกินหนูนั่นเองแมวกินหนูไม่มีเลือดเลยกินยางกัะเมร์ไม่มีเลือดเพราะอันนี้มันกรองมาหมดแล้วเนี่ยคือมันกรองมาตั้งแต่ทีแรกมันกลองมานะ เราไม่เคยรู้ลูกน้ำอ่ะไว้ฟังหนึ่งไม่เคยรู้ลูกน้ำเรารู้ลูกน้ำไม่เคยรู้ปรมาจารย์เรารู้ปรมาจารย์ขึ้นมาไม่เคยรู้ปฐมฌานทุติยฌานหรือทางไปหาพระพุทธเจ้าเรารู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนมามันไม่เคยว่ารู้ว่าขมสงบมันจะเห็นขมสงบขึ้นมาหัวไม่จงบมันซ้อนตัวอยู่ตรงนั้นจะเห็นจริงๆอันนี้หรอยานของปัญญาวิปปัญนาภาวนาภาวนาเปิฎกธรรมใช่มาก ทำให้รู้ทำให้เข้าใจทำให้เกิดทำให้มีไม่ใช่จะ ม, มารู้จำเอาคำพูดของพ่อไปพูดอันนั้นผิดยังว่าเราเคยสวดกันว่าผู้ใดที่เคยศึกษาเราเรียนมาว่าอาบัติราลชิกเศรเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งฆ่าสัตวหนึ่งพูดอ้วนอุตริมนุษสาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนหนึ่ง ขจากความเป็นพิชซูพิชซูเปลว่า เ, เห็นภัยเห็นตัวนี้ปัญญายาณตัวนี้จะรู้ว่าทางนี้โย่เศพเมถุนเรามาพูดกันหมายถึงเพศตรงกันข้ามแกอ่า น, นันกะ จ, จริงโดยสมมุติไม่ใช่ได้จริงโดยปรมาเศพเมถุนหมายถึงเัาอยู่กับผมไม่รู้นั่นเองจําให้มันดีนะอยู่กับผมไม่รู้มันไหลไปตามกระแสะความคิดจริงว่ะทวนกระแสะของน้ํานี่เศพเมถุนต้องทวนไม่ต้องไปกับความคิดเศพเมถุนลักของเขาหนึ่ง คนอื่นพูดไปจําเอาเราไม่เป็นแต่ว่าลักคําพูดของคนอื่นมาพูดเปนว่าอย่างนั้นเ่าสัตว์หนึ่งของจริงที่มีอยู่ในเรามันจะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะเรากบไว้เนี่ยเดี๋ยวข่าตัวเองตายจากมรรคผลนิพพานก็ได้ข่าตัวเองตายจากพระอรหันต์ก็ได้แย้วจะจะพูดมันเป็นคําพูดเนี่ยข่าสัตว์หนึ่งสัจจะของจริงเนี่ยพูดอวดอุตริมนุษยธรรม คือทอาอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในตนนึงเนี่ยอันนี้เปลเราพูดของจริงเราจะรู้เราไม่ต้องพูดอวดอย่างที่ตลวงพ่อพูดเนี่ยอันนี้เดีย ว, วพูดของจริงไม่ใช่เป็นพูดอวดเนี่ยอันนี้พูดของจริงให้ทุกคนนำไปใช้เอาชีวิตประจาวันนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นทางลัดขึ้นเครื่องบินปื้อไปทีเดียวเลยลงสนามบินดอนเมืองออกจากดอนเมืองมา เรามาขอนแก่นปื้อมาลงสนามบินขอนแก่นสั้น45นาทีเท่านั้นเองจึงว่งกก า, าไม่คองแวะกับค่อยทานไม่คลองแวะกับรักษาศีลไม่คลองแวะขับไปทำกรรมฐ า, านขึ้นตามขั้นตามตอนเนี่ยขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นแต่ต้นๆถูกอันนั้กถูกแล้วเราให้ทานมาแล้วเรารักษาศีลมาแล้วเราทําความสงบมาแล้วเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีอย่างนี้ อันนี้ไม่ต้องรับศีลก็ได้ไม่ต้องให้ทานก็ได้ไม่ต้องทำ功德มมก็ได้มันพร้อมกันทีเดียวลยพลิกมือขึ้นรู้สึกนิดควบ ม, มือลงรู้สึกควมรู้สึกมันคุมทั้งหมดเลยคุมทั้งให้ทานคุมทัลกลากสาธินคุณทางคุ ม, งคมสงบมันคุมไปทั้งหมดเลยเจะญาณปัญญาเกิดขึ้นวิปัตนาญาณอยู่ามีอารมณ์หกี่ว่าขันห้าอายตระสิบสองธาตุสิบแปด อินทรีย์ยีอริยธรรีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารดนเขาอยู่พัฒนาครูบาให้เรียนเรียนแล้วแต่มันไม่เกิดยานไญนะบัตรนี้เมื่อรู้อันนี้แหละมันจะรู้ขันห้าจริงๆขันห้าตาหูจามุกเรื่องกายใจยนี่เป็นอนัญติะสิบสอไม่ต้องพูดเลยขันห้าอัญญตนละสิบสองะไม่ต้องเรียนนะมันครบอยู่ที่นี่แล้วธาตุสิจากขูเออธาตุสิจากหูธาต จักคู่ธาตุคือธาตทางตาธาตุจิตแบบสามหกสิบแปดเราไม่ต้องเรียนกันได้จักคูคือตาจักคู่ธาตุคือธาตุทางตาจักคูวิญญาณธาตุค <Australian> right? ือวิญญาณทางตาเราไม่ต้องเรียนกันได้เราจะตรงไปเลยทีเดียวเนี่ยตินทียี่สบสองจักคู่ินทีโสตินทีคานินทรียไม่ต้องเรียนกันได้ปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องเรียนกันได้อวิสาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ วิญญาจะติดจะเกิดนามรู้ไปอันนั้นก็นไม่ตรงเรียงกันได้เราจะตรงเข้ามาทีเดียวเลยตรงที่ตรงไหนหนึ่งตรงเรารู้จากเรื่องรูปนามที่แรกนะอันนี้เป็นการพูดเรื่องอารมณ์จนจบแต่แต่แตไม่ไม่ได้มาแทะคือว่าพูดให้ฟังสั้ๆรู้เรื่องรูปนามเนี่ยรู้ถึงบาปบุญเนี่ยรู้ให้จบเลยขั้นต้ น, นขั้นที่สองเราจะรู้วัตถุแต่เรื่องเวทนาไม่ต้องพูด รู้รืวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในรูน้นี้เมื่อรู้วัตถุตัวนี้แปลว่าเราได้กระแสปัิญาแต่รูน้มยังไม่ได้เพียงรู้เรื่องเรื่องของคนเท่านั้นเองอันนั้นเป็นเรื่องของคนตัวนี้เป็นหน้าที่ของคนแล้วเป็นหน้าที่จะปฏิบัติแล้วที่หลวงพ่อเคยพูดห่วมเป็นคนเกิดขึ้นแล้วให้แก่เราเนี่ยห่วงเป็นคนเกิดขึ้นแล้วเรารู้รูน้ำนี้เรื่องของคน เราเรื่องของคนเราจะรู้แล้ววันนี้รู้เรื่องว่าถูกหน้าที่ของคนเนี่ยเพราะเราทําลายสิ่งนั้นได้หน้าที่ของคนเราต้องหน้าที่ของเราปฏิบัติไปให้ถึงพระพุทธเจ้าเพราะเราได้กระแสรพระนิพพานได้ต้นทางนี่เรียกว่าเป็นอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นคือเราเห็นกิเลสตัณหาอุปทานนี่เรียกว่าอริยผลเรียกว่าพระโสดามะพระโสดาผลจะหาว่าพูดอวดก็ได้ในพูดผมมินให้ฟังหน พูดอุตรีมนุษย์นะทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ทำอันนี้เป็นทำอันยิ่งของมนุษย์เด็กคนธรรมดาจริงรู้ไม่ได้ยึ่งว่าต้องเป็นคนจริงเราเป็นเข้าทีหนึ่งบัญญัติลงในกระสอบไปขายราคาก็ดียินคนกระชอบเนี่ยจะเป็นมักเป็นผลวันนี้เมื่อถิ่นปรากฏขึ้ น, นเป็นมักรู้เรื่องความสงบเป็นผลรู้การทําบาปเป็นมักวันนี้แจกการทําบาปบ อ, อกได้ รู้เรืการทำบุญเป็นผลไปเดี๋ยวเป็นมรรคเป็นผลเดียวว่าเป็นจตุทัสกานเมื่อรู้เรื่องบาปเรื่องบุญทำบาปทำบุญตกนรกขึ้นสวรรค์ทำบุญเป็นอย่างไงเนี่ยอันนี้เป็นผลป เ, เป็นมรรคเป็นผลพอดีรู้อันนี้ปั๊มันจะขาดช่วงเดี๋ยวว่าจตุทัสกานมันจะมารวมที่ตรงนี้วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เดียกว่าตายเสียก็ตายอย่างเมื่อมีลมหายใจจะรู้วิธีเข้าไปตายยจริง ความตายจึงไม่ใ่ตายจุดเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรียวเป็นอาการเดียวเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระดับจิตของเราขึ้นไปตามขั้นตามตอนประโยชน์ตายแล้วเกิดกับผิดตายแล้วศูนกับผิดเราจะเอาที่ตรงไหนก็เอาการเปลี่ยนแปลงไปที่ระดับของจิตใจนี่เรียว่าเราไม่ชอบอยากทําให้จิตใจเราเลื่อนชั้นได้เราก็ไปเห็นการเลื่อนชั้นคือเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราษฎ เป็นพระเทพเป็นพระธรรมเราไปติดอันนั้นเลือนชั้นอันนั้นอันนั้นจะ เ, เอาอันนั้นมาเป็นอันนี้บัด น, นี้เราไม่รู้เราจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวนั้นนี่รู้ตัวรู้จักอย่างนี้จริงวาคือเสียงเกียรดหยดมันดีแล้วเขาเลื่อนชั้นให้แต่และเขาถอดเมื่อไหรก็ได้อย่างที่ตํารวจก็เป็นจิดตีติดโทติดเอกื่อเดียวเขาเลื่อนชั้นให้แล้วก็ถ อ, อดก็ได้อันนี้ถอดไม่ได้เหมือนกับที่ว่าเผอเรามีดบาดเรา ถึงจะดีแล้วขอเป็นแผลอยู่ที่ตอนนั้นว่าให้รู้จักจริงๆเมื่อรู้จักเมื่อปัตนาญาณเกิดขึ้นแล้วมันจะลดทั้งหมดเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วข้างบนว่าหลวงพ่อถอดเสื้อออกถอดการเกงออกเลือดทุกหยดมันจืดทั้งหมดเลยมันกลับเข้าสู่สภาพเดลยของมันจิตใจมันก็เข้าสู่สภาพประมาณดิว่าหันห้าปุงแต่ไม่ได้อีกต่อไปเดยวขาดแล้วเสื้อที่มัดที่ตรงนี้มัดตรงนี้ตัดตรงกลางขาดแล้ว ดึงส้นนั้นมาถึงตรง น, นี้ไม่ได้มันขาดแลรถไฟไม่ได้อันนั้นอันนั้นไซไม่ได้จริงๆจิ๋ว่ า, าพระพเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดแล้วขาดแล้วไม่งอกอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละความจริงทุกคนจะประสบเรื่องนี้จดนจะหมดลมหายใจก่อนหนะ้าลมหายใจจะหมดต้องห้านาทีพวกเราต้องเกี่ยวเนื้อเกี่ยวตัวไว้อันที่นํามาเล่าให้ฟังนี่การสิ้นจบเรื่องชีวิตของเรา ทุกคนจะควรได้ทุกคนจะควรมีไว้ทุกคนจะให้เป็นทรัพย์ของเราที่เกิดมาเป็นคนจะไม่เสียซาดท่านว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็ตามถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตัวที่หลวพ่อคูดอยู่นี้เนี่ยชีวิตคนนั้นเป็นไหมเป็นโมฆะไม่มีประโยชน์อะไรเลยจ้ะหนยคนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจอันนี้ ชีวิตอันนี้มีค่ามา ก, กว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยวันพันปีนั้นเนี่ท่านว่ามีค่ามากแต่คนเกิดมาวันเดียวรู้ไม่ได้พิคิตตัวไม่ได้ญาติโยมมาปฏิบัติหรือเพื่อนภาคสงองค์เจ้ามาปฏิบัตินี่บางทีหลวงพ่อบพูดไปอาจจะประสบปั้เอาเทีเดียวก็ได้เนี่บางทีหากไม่ประสบก็จําไว้เราต้องเข้มงดวดขวดขันตัวเองไปปฏิบัติเอาไว้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้เทียนว่า การฟังธรรมานฟังสิ่งที่ยัางมาเคยฟังฟังแล้วไม่เข้าใจทำความเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆไเปเลยท่านว่าจะมีอันนี้สูงห้าประการท่านวาอย่างนั้นบัดนี้บวชมาได้น้อยพรรษาท่านวายอย่างไรหากยังไม่เข้าใจกับพระลูกภาวะอันที่หลวงพ่อ ก, กําลังพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยการบวชของคนนั้นเป็นโมฆะเป็นหมันไม่มีประโยชน์กับอันนี้แต่มีประโยชน์กับอันอื่นไป ไม่เป็นอย่างนั้นเลยคนบวชมาเพียงวันเดียวมีแถบใส่หัวนี่ผมขาดออกไปปุ๊บจิตใจเกิดมีความเข้าใจในสภาพหรภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปแล้วแต่มันจำไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปคนนั้นน่ะพวกดึกทีเดียวอดหงุนี่มีประโยชน์มากกว่าบุคคลที่บวชมา้อยพรรษาท่านไว้อันบวชที่มาเป็นเรื่องสมมติให้เรารู้จักสมมุติแยกแยกจริงๆงหลวงพ่อจะเคยพูดเคยสอนวา ให้ลูกจักสมมุติบัญญตัติปรามาตัตดบัญญตัติอัฐะบัญญัติอธิยาบัญญตัติแต่เป็นพระญาบุคคลเรก็ยังถูกบัญญัติสมมุติขึ้นมาให้เว้าอันนี้อันนี้แหละปัญญายานของวิปัสสนาญาณของปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญานึกคิดออาบุกบ้านแปลงเฮือนหาเงินหาทองการศึกษาเล่าเรียนสอบไล่นักคำเตีโทเอกหรือสอบไล่เจ้าคุณสอบไล่อุปสาอาจจะไม่ใส่ปิดันนั้นอันนี้จึงว่า กับอันนั้นมันเป็นอันเดียวกันดึงอันนั้นมาเก็งอันนี้สมมุติว่าปฐมมสกานเขาก็ให้เป็นพระโคเป็นพระโคเป็นเจ้าเป็นพระโคซะเนี่ยทุติยสการก็ให้เป็นเจ้าคุณซะเนี่ยตาติยสการก็ให้เป็นพระราชซะเนี่ยเรื่อยๆเน่ยยตุรสกานก็เป็นพระเทพได้ปัญจมสการก็เป็นพระธรรมไปได้ตั้งเพื่อเป็นส่วนดั้นสวีก็เป็นปัญญาญานเนี่ยมันเป็นยงานอันมันถอดได้ จะปฐมมาศาลโทุติจการตติี่นการพวกเราต้องปฏิบัติให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจเรามันจะเสียเงินนี้เสียเงินเสียเวลาที่ตลวงข่อมาพูดให้ฟังอีกด้วยนะแล้วก็เสียเงินค่าลถค่าลามาอีกด้วยนะเหว่าต้องตั้งใจทําจริงๆให้เป็นเข้าทีหนึ่งจริงๆมาเนี่ยใครเป็นเข้าทีหนึ่งเราจะทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรและเป็นการเผยแพร่ ได้เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาเน่เป็นอย่างนไงเจ้ยว่ารักษาตร์ลักศาสนาลักพระมหากษัตริย์ในลาวอย่างนั้นลักอะไรก็ลักของจริงในที่แล้วเจ้าว่าเสียตละดีชีวิตเพราะลักษาของจริงแล้วเรามีจริงไหมของจริงที่จะตั้งใจพูดจริงๆเรามีจริงไหมถ้าไม่จริงก็พูดเรื่องอื่นให้มาเป็นของจริงตรงนี้มันก็เสียจริงเจ้าว่าพุทธศาสนาของเมืองไทยนี่เจ้ลดน้อยไปน้อยไป ก็ยังมีโรคโกรธง๋งอิจซาตาร้อนกันอยู่มากมายแล้วพุทธศาสนานั่นไม่มีความโรคไม่มีความโกรธไม่มีความด๋งไม่มีการอิจซาตาร้อนท่านสอนอย่างนั้นแล้วความสุขมันเกิดขึ้นมาจ <c oughs> ว๋วจิตเป็นกระแสสารทีเป็นวายอย่างนี้จิ๋วเขมังเป็นจิตกระแสสาร <c oughs> เป็นจิตเหนือทุกเหนือทุกมีในคนทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเลยไม่ได้เกิดญาณปัญญาเพราะเราไม่ทําความรู้สึกตัวนี้เอง จงว่ารู้กับความสงบมีอยู่สองอย่างสงบแบบไม่สงบเนี่รู้อย่างแบบไม่รู้สงบแบบสงบรู้อย่างแบบรู้เนี่ยเป็นว่าสอนกันอย่างนั้นเป็นสมมุติเอาหน้านี่ที่หลวงพ่อนํามาไล่สอนเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงจึงว่าจริงโดยปรมาทันนเียจริงโดยอัฏฐะอัฏฐะไปว่าได้จะบมักแปดเลยสัมมาทิฏฐิสัมม า, าสังกัปปสัมมาสมาธิไปเลยไปอันนั้นมักแปดอันหนึ่ง มักแปเราเคยสวดกันดีว่าสคู่8บูรุษเอมศักขวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภุมิภาคเจ้าเนี่ยเราไม่ออกมาปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนี้เราต้องเอาตัวนี้โตสมาธิทิฏฐอนั้นเอาไว้มันเป็นเรื่องสมมุติแต่วดโตที่ว่าสคู่8บูรุษเอมศักขวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเราเอาตัวนี้แต่คํานี้เป็นคําพูดเราต้องปฏิบัติให้มเป็นอย่างนี้ อาหูเดยโยอาหุไนยโยเรียนหลวงพ่อว่าอาหุเดยโยบ้านหลวงพ่ออาหุเดยโยเป็นสงควรแกศสาระที่เขานํามาบูชาเรียกว่าการหาพระผู้สอนเฮ อ, อเบ็จไปเจหลวงพ่อว่าหาว่าที่คนนั้นการหาพระการหาครูหาอาจารย์หาคนจริงรับประกันคําพูดของพระ อ, องค์ได้หรือรับประกันจะสอนให้ผมกี่ปีกี่เดือนกี่วันรับประกันอย่างนี้อ้าวนี่พูดแต่ว่ามันต้องเบาต้องพูดกล้าหาญ คำพูดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเอารับประกันได้สามปีอย่างนานจะได้ประสบไม่มา ก, ก่อดอยเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายนี่อาจจะเข้าใจแน่นอนแต่ว่าไม่เก่งกะต้องเข้าใจแน่นอนเพราะคําพูดแล้วตัวเองจะทําให้ยางปัญญาพจะเกิดขึ้นไปตามลาดับขึ้นไปอย่างนานให้เวลาสามปีนะครัมั่นสัญญาอันนี้ไว้แล้วย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีเอาจริงจิไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอน อย่างเร็วที่สุดให้กําหนดเวลาไว้เก้าสิบวันสามเดือนอันนี้สงไม่ต้องพูดเลยมันจะค่อยเป็นไปเองความเปลี่ยนแปลงนี่คืออาการความเปลีป่ยนแปลงจะขึ้นไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนขึ้นไปถ้าหากไม่ถึงที่มันสะบ้านจะก็ต้องว่าเรื่องความสงบเนี่ยแน่นอนรับรองว่ารู้จักจริงๆจะรู้จักความสงบแบบนั้นนันเป็นแบบนั้นควมสงบแบบนั้นเป็นมันจะรู้จักจริงๆ เรื่องโทสะโมหะนี่ไม่ต้องพูดเป็นญาประเคอเป็นญาประคอะหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วคนยังไปติดญาประเคอก็ยังแก้ไม่ได้เนี่ยมันต้องแก้ให้มันได้พวกเราอะ่ะอันนี้ที่หลวงพ่อนำมาแนะนำตักเตือนว่ากาวพวกเรานี่คือวันที่ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10วันนะ วันที่ยี่ห้าแต่เราทามาแล้วได้สองวั 24, นสามวันชั่วโมยี่สี่นะสิบเจ็ดมื่อนี้นะสิบแปดอาวะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่บสามยี่บสี่เหลือเจ็ดวันเนี่ยลงเพาะว่ายางเร็วที่สุดนะนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอันนี้สองสองประการท่านว่นหรือสิบห้าวันต่ว่ า, 15, วาทาทให้ติดต่อกันนะมีอันนี้สองสองประการหน่งเป็นพระอรหรันต์สองเป็นพระนาคามี ถ้าหากหลุดจากควมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมาตั้งอยู่ควเป็นพระอนาคามีทันวายอย่างแน่นอนที่สุดตํานาของท่านแต่หลวงพ่อได้พูดยนั้นระยะเวงที่เราทํามาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยี่บสายี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่นั้นบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะอยู่ต่อไประยะเจ็ดวันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เราได้ภูมิใจถ้าเราเป็นคนจริงนะถ้าเป็นเข้าที่หนึ่งนะถ้าเป็นเข้าไม่มีนายเป็นเข้าผีแล้วก็พูดไม่ได้แล้วนั่นแหละหลวงพ่อเข้าใจเราเพราะหลวงพ่อทํามันไม่นานเนี่ยเพราะญาติโยมก็คงเคยได้ทํามากันหลายวิธีมาแล้วบางคนอาจจะทําพุโทโธมาคองยุบมาสัมมาอ阿拉หังมาหรืออานาปานสติมาแต่มันยังไม่เข้าจุดนี้วัด น, นี้เราเอาไว้ก่อนขมรูที่เราเรียนมันเอาไว้ก่อนมาทํำขมรู้สึกตัว เคลื่อนไหวโดยวิธีการก็ให้รู้อันนี้มันจะทายานปัญญาวิปัตนาญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราที่อย่างที่เราพูดกันว่าเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตอะไรกันสมมติว่ากันมาอย่างนั้นท่านจิงว่าเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าที่นลวงพ่อกล้าได้ก่อนถือศาสนาไหนก็ตามจะถือศาสนาคิด ศาสนาอิสลามฮินดูหรือศาสนาเขาตามหลวงพ่อไม่ไม่เหมือนทุกคนมาเถอะเดี๋ยวขอให้ปฏิบัติจริงหลวงพ่อได้สอนบาทหลวงไว้แล้วสองสามคนเขาก็ภูมิใจเนี่ยเพียงว่ารู้เพียงการเคลื่อนไหวรู้จากรูปนั้นเขาภูมิใจบาทหลวงเขาก็ซ่อนตัวทำเขาทื่อศาสนาคิดนะอาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราได้ทําไมเราต้องทําเองหลวงพ่อแนะนําเขาเขารู้ สามวันท่านนั่นเองเขารู้ว่าเรื่องบาทหลวงเนี่ยเขารู้เรื่องลงูกน้ำเนี่ยรู้จริงๆหนวงพแอบไปพูดให้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไ้นนี่แหละคําสอนของพระพทุทธเจ้าจึงเป็นกลางๆเป็นสากลทําได้ทุกคนไม่มีของใครจิตสมวนที่เขาติดได้รู้แล้วไม่ให้คนอื่นรู้กอดไวแต่ไม่ได้รู้แล้วฆ่าตัวตายก็ทำไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นรู้แล้วทําลายตัวเองก็ไม่ได้รู้แล้วจะจงวนที่เขาติดไม่ให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนนั้นทําถูกต้องรู้ไปเองนี่ที่นลวงพ่อได้นํามา แนะนำตักเตือนว่ากล่าวกับพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจนำไปปฏิบัติจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ <c oughs> พยายามเงียบอย่าไปพูดไปคุยกันมากเนื่อยเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่พลิกมือขึ้นคลมมันจะเจ็บเงาแขนที่เข้านะทีแรกนี่เมื่อเจ็บเงาแขนเน่ะเออใกล้ๆและจะรู้เข้ามาแล้วเนี่ยมันเทียบปรานนั้นแหนูก็ทําทําบันเดียวหนุ่งเพราะจะเก็บเงาแขนเลยเอากระจริงๆจังๆอันนี้เรา มันไม่เอาจริงมันจะเอาเน้น้อยอย่าพูดมากเลิกการพูดการพูดนั้นมันเป็นสิ่งที่บังเราไว้ไม่ให้เราได้เห็นความคิดเราเพราะเรายังเป็นคนใหม่ฝึกหัดใหม่เรานั่งอยู่คนเดียวดีกว่าเราไม่ต้องพูดต้องคุยเรานั่งอยู่คนเดียวมาคิดว่าอ๋อมาคิดแล้วจะได้เห็นเนี่ยเนี่ยต้นต้นเหตุของความคิดนี่แหละเมื่อเรานำเห็นของคิดได้ได้วควมคิดจะเป็นหน้ามือหลังมืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดมันจะรู้ว่าถูก